กับบ้านเอาซีดีไปด้วยนะพยายามไปเปิดให้มีลูกก็เปิดให้ลูกฟังไว้มันจะเป็นประโยชน์กับเด็กอย่างมหาศารเลยเราเห็นเด็กนครสวรรค์ใช่เด็กนครสวรรค์ที่มาถ้าไปดูประวัติของเขานะจำนวนมากเลยเป็นเด็กมีปัญหานะเด็กบ้านแตกบ้างเด็ก อยู่ก็ยายอยู่เด็กอะไรงี้มีปัญหาเยอะเลยเด็กใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินฐานะอะไรงี้ยเด็กชอบเล่นเกมไม่ชอบเรียนหนังสืออะไรางี้ยพอมาเข้าคอรนะ์สแล้วเด็กพวกนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยในเวลาไม่นานเท่าไหร่เงินเราเอาซีดีไปบ้านนะเปิดให้เด็กมันได้ยินบ่อยๆเขเด็กจะเรียนเร็วกว่าผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เนะี่ยติดของเก่ายึดถือในความคิดความเห็นเดิมๆอะไรเงี้ยเยอะแก้ยากเราก็ส่งเคราะห์ลูกเราส่งเคราะห์ลูกหลานเปิดให้มันได้ยินไปเราก็พลอยฟังไปด้วยเดี๋ยวก็รู้เรื่องไปด้วยให้สมบัติกับลูกหลานนะมันก็ไม่นานมันก็ใช้หมดถ้าให้ธรรมะมันเหมือนกับให้คู่มือในการดำรงชีวิตกับเขา ธรรมะไม่ใช่จะมุ่งไปสู่นิพพานทุกคนหรอกถ้ายัางไม่นิพพานนะก็สามารถดำรงชีวิตอยู่กับโลกอย่างฉลาดอย่างรู้ทันโลกไม่ใช่อย่างตกเป็นเหยื่อทุกวันนี้เด็กๆมันเป็นเหยื่อใครๆก็เห็นเด็กเป็นเหยื่อไปหมดนะทุกๆด้านหนะลอกล่อต่างๆนานาถ้าเด็กหัดเจริญสตินะเด็กรู้ว่าอะไรควรทาอะไรไม่ควรทำ เด็กเห็นกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในใจตัวเองเช่นเขามาโฆษณาขายของอะไรนะสินค้าตัวใหม่ๆเด็กแย่งเงินซื้อพ่อแม่เดือดร้อนถ้าเด็กมีสติเด็กรู้ทันใจตัวเองนะเด็กไม่ตกเป็นเหยื่อนะพ่อแม่ก็พลอยสบายไปด้วยนะลายบ้านเลย ท, ที่เด็กเขาเขียนรายงานที่เขามาเข้าคอร์สหลวงพ่อนั่งอ่านดูโอ้นัินได้ผลเยอะเลย ธรรมะไม่ใช่ของหลอกหลอกลวงรวงธรรมะเป็นของจริงถ้าใครฝึกหัดปฏิบัติเนี่ยนะเราจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างเห็นได้ชัดเลยอย่างเป็นเด็กในเล็กมันก็รู้จักที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติขึ้นมาไม่ตกเป็นเหยื่อการโฆษณาต่างๆมันเหยื่อทั้งนั้นเลยนะอย่างไปนั่งคุยกันแช์เชิญอะไรนะโดนหลอกโดนเลไเนี่ย เราะมนรู้ไม่ทันกิเลสตัวเองถูกเขากระตุ้นถูกเขาหลอกหลงนะเด็กทุกวันนี้มันติดต่อกับโลกภายนอกกว้างๆไม่เหมือนเด็กรุ่นโบราณ น, นะอย่างหลวงพ่อไม่มีทางติดต่ออะไรมากมายหรอกจะติดต่อกับใครต้อเขียนจดหมายทิ้งทั้งหลายวันเดี๋ยวนี้มันแชทกันสดๆถูกหลอกง่ายงั้นเราไม่สามารถที่จะตามไปดูลูกเราได้ตลอดเวลา เราให้ธรรมะกับลูกธรรมะจะได้คุ้มครองลูกเราเอาไปฟังนะให้เด็กฟังแต่อย่าบังคับมันถ้าบังคับแล้วเด็กมันรับไม่ได้หรอกเด็กไม่ชอบให้ใครบังคับเรายังไม่ชอบให้ใครบังคับเลยแก่ป่านนี้เรายังไม่ยอมให้ใครบังคับเพราะงั้นเรารักลูกลักหลานนะแล้วก็เป็นประโยชน์กับพวกเราเองด้วยลูกหลานเรามีธรรมะเราก็ไม่ต้องทุกข์มาก ลูกหลานไม่มีธรรมะนะว่าเหนื่อยตายเลยใครจะไปตามดูมันได้ตลอดเวลาเดี๋ยวไม่ทําเรื่องเดือดร้อนขึ้นมาลนะงั้นฝากนะอย่าเอาซีดีไปให้ลูกฟังคนไหนมีไอขี้บ่นนะก็ไปเปิดเรื่อยๆนะหายนะจริงๆต่อไปเวลาแกอยากบน่นแกเห็นเลยใจมันอยากบนนะ่นละไงเห็นนะเกาหายนะส่วนสามีอยากกินเหล้านะ ไปหัดภาวนานะดูใจไปเห็นใจที่มันอยากเนะืเหนหน่อยมันก็เลิกเลิกไปเองงั้นธรรมานี่ถ้าฝึกไปให้เรามีสติรู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆเราสามารถมีชีวิตอยู่กับโลกได้อย่างมีความสุขทุกน้อยลงไปเยอะเลยเพราะความทุกข์ในใจเราเนี่ยมันเกิดจากกิเลสมันแผดเผาเอางั้นเรามีสติเรารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจใน่กิเลสจะครอบงาใจเราไม่ได้ เราจะมีชีวิตอย่างมีความสุขมากเลยง่ายๆนะอย่างเวลาเราทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจอะไรทางานจะมีคนทำงานสองพวกนะพวกหนึ่งทำงานโดยหวังว่าปลายปีจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนสีอะไรเงี้ยนะพวกนี้ไม่ค่อยมีความสุขที่จะทำงานรอไปสิ้นปีแล้วได้สองขั้นได้ขั้นครึ่งได้สามขั้นอนะไรเงี้ยก็มีความสุขเลย ได้หนึ่งขั้นไม่มีความสุขดูสิรอมาตั้งปีหนึ่งนะระหว่างรอก็ไม่มีความสุขนะถึงปลายปีผลออกมาก็ไม่มีความสุขต้องรอไปอีกปีรอความสุขอีกปีถ้าเราภาวนานะเราจะรู้เลยว่าหน้าที่ของเราต้องทำเหตุอย่างเราขยันทางานนะทำงานเรามีความสุขกับการทำงานเราภูมิใจกับงานที่เราทำนะงานเล็กงานน้อยก็ภูมิใจได้นะอย่างบางคนเป็นเด็กถือหนังสือส่งหนังสือ เขาภูมิใจนะที่เขาได้ส่งหนังสือได้เร็วส่งได้ถูกอะไรเงี้ยเขาภูมิใจเขาก็มีความสุ ข, ขรักในงานของเขาไม่จำเป็นต้องเป็นงานยิ่งใหญ่49 40 4เท่านั้นเท่านี้หรอกเมื่อก่อนหลวงพ่อมีเด็กคนหนึ่งท่นนั้นรับราชการอยู่สมัยนั้นเครื่องแฟกมาใหม่ๆนะ หัวหน้ากองเลยเขาก็สั่งเด็กคนนี้เด็กนี้เป็นเด็กพิมดีดนะทำช่วยทําธุรการด้วยบอกเ อ, เอาเอกสารนี้ไปส่งแฟกซ์ให้สภพัฒน์เยเด็กมันก็ไปส่งนะแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาบอกส่งไม่ได้ค่ะหัวหน้าก็สั่งเออไปส่งอีกไปส่งต้องหลายรอบนะแล้วบอกส่งไม่ได้สักทีเลยสักพักใหญ่ๆนะสภพัฒโทรมาจะส่งมาทําไมส่งแล้วส่งอีก นะหัวหน้าก่องเรียกเด็กมาถามเอาเ้าเขารับได้ตั้งหลายรอบแล้วหนูไม่เห็นมันไปเลยนะมันยังอยู่ที่เดิมเลยนะเอาฝาปิดไ้พอเปิดออกมามันก็ยังอยู่อีกอนะแต่เด็งที่มันก็มีความสุขของมันนะนีความสุขเรียกว่าวิทยาการมันใหม่ๆตามไม่ทัน เราเรียนธรรมะนะไม่ใช่ว่าจะต้องหวังนิพพานหรอกคนไหนปรารถนามากคนนิพพานนะก็ภาคเพียนไปเรื่อยๆคนไหนแค่มีสติรู้ทันใจตัวเองนั่นก็จะสามารถอยู่กับโลกอย่างมีความสุขวันใดเราสติปัญญาเราแก่รอบขึ้นมาใจมันจะดิ่งไปสู่นิพพานเองเราอย่าไปนึกว่านิพพานเป็นความสูญเสียบางคนนึกว่านิพพานเป็นความสูญเสียแต่นี้ไม่อยากนิพพาน ถ้าเรามีลูกมีเมียมีทรัพย์มมม ส, สมบัติมีอะไรเราคิดว่าถ้าเรานิพพานแล้วเราสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันคล้ายๆคนหนึ่งนะยากจนมากเลยไปอยู่ใต้ต้นไม้นต้องนอนกลางแจ้งนะฝนมาก็ไปหลบใต้ต้นไม้อะไรเนะี่ยเห็นคนเขาปลูกกระท่อมอยู่รู้สึกโอ้ถ้าเราไปอยู่กระท่อมนะเราจะสูญเสียไม่ได้นอนใต้ต้นไม้เหมือนเดิม คนอยู่ในกระท่อมนะเห็นคนเขาอยู่บ้านเป็นหลังๆสวยงามไม่กล้าไปอยู่บ้านใหม่กนละัวเสียดายกระท่อมเวลาที่เราอยู่ในพบต่างๆเนี่ยเราก็นึกว่าพบของเราดีพิเศษเต็มประดาแล้วนิพพานนะมันโหมันบอกไม่ถูกเลยนะมันเป็นความสุขมหาศาลขนาดไหนนิพพานนะไม่ใช่อนาถานนะมันเหมือนโลกทั้งโลกอยู่ในมือเลย น, นิพพานก็กว้างขว้างไรขอบไร้เขตมีความสุขนะแผ่ซ่านครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราพอวนาไปถึงจุดนี้ในโลกนี้ไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจแล้วมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่เห็นหน่าเสียดายเลยไม่ได้รู้สึกเสียดายนะแต่รู้สึกดีใจที่พ้นออกมาได้นี่เรายังไม่รู้จักนิพพานเราก็คิดว่านิพพานคงจะเหงามากเลย สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกมันเสียอะไรไปมันเสียความทุกข์ไปยังไม่นิพพานก็ภาวนาเราก็เป็นปุถุชนที่ดีกาลยาณนะปุถุชนเราคอยรู้ทันตัวเองเรื่อยรู้ใจตัวเองเรื่อยนะกำลังเราแก่กล้าขึ้นนะต่อไปใจเราก็ดิ่งไปสู่นิพพานเนี่ขยันภาวนาขึ้นมาเองไม่ต้องไปฝืนมัน ลองดูนะลองสิ่งที่เราเรียนมาสามสี่วันเนี่ยอย่าไปทิ้งเสียดายหลวงพ่อกล้า บ, บอกเลยนะว่าหลวงพ่อรับราชการเพราะนานนะสี่ก็เยอะนะสัมมนาประชุมเลยเนีย่ประจำเลยจนเวลาถูกเกณฑ์ไปสัมมนาเนะเบื่อเบื่อเลยรู้เลยว่าอวิทยากรมันมาอ้าปากเงี้ยเดี๋ยวมันจะลงท้ายอย่างนี้นะหนีได้ก็หนี นีไม่ได้จำใจไฟไฟ น, นิดนิดหน่อยๆหยลบได้หลบอีกแล้วความรู้ที่ได้มานะพูดตรงๆเลยกระจกบางทีก็ถูกหลอกนะเขียนโปรเจก ต, ต์ผมลมสัมมนากลับมาล้วก็เหมือนเดิมไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เห็นได้เลยคนไหนเคยขี้เกียจทางานยังไงก็ขี้เกียจอย่างนั้ น, นคนไหนไม่สนใจที่จะเรียนรู้ก็ไม่สนใจอยู่อย่างนั้นนะ วิชาทางโลกมันก็ดีเหมือนกันเลยบาทีเล่นๆดีหลอกๆไปวันๆพออยู่กับโลกแต่เราเรียนธรรมะนะเราจะรู้เลยโอ้โหมันเหมือนเราได้สมบัติติดเนื้อติดตัวมาไปสัมมานามมาตั้งหลายสิบครั้งไม่รู้ถึงร้อยครั้งแบบมาถึงวันนี้มีอะไรเหลืออยู่ได้อะไรมามเห็นมีอะไรเลยไปเรียนจากหลวงปู่ตูลมาหกครั้งโอ้โหมันฝังอกฝังใจนะ สิ่งที่ได้มาจากท่านเนี่ยให้ความสุขอันมหาศาลมาจนถึงวันนี้เลยงันการเรียนธรรมะถ้าเรายังไม่เห็นค่านะเรายังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเราจะยังไม่เห็นค่าหรอกงั้นเบื้องต้นเนี่ยอดทนไว้นิดนึงทนทนนิดนึงเรียนให้รู้เรื่องแล้วเอาไปลองทําดูพอเราลองทําได้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองได้เราจะรู้เลยธรรมะมีค่าที่สุดเลย เรียนอย่างอื่นไม่เห็นจะเปลี่ยนตัวเองเท่าไหร่เลยนะเรียนธรรมะนี่เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยถ้าพูดให้ถูกนะเปลี่ยนจากส้นเท้าเป็นฝ่ามือเปลี่ยนมหาศาลจริงๆนะในเวลารวดเร็วด้วยเราไม่เสียดายนะที่ตัวเองเปลี่ยนแปลงไม่ไม่เสียดายเลยว่าอัตลักษณ์อัตลักษณ์อันอัปปะรักษ์ เ, เก่าๆจะเสียไปนะไม่เสียดายเหมือนเป็นคนใหม่ เหมือนมีชีวิตใหม่เหมือนได้เกิดใหม่ในโลกของธรรมะเป็นโลกที่มีความสุขนะเป็นโลกที่มีความอบอุ่นเป็นโลกที่มีพ่อมีแม่ไม่ ใ, ใช่โลกกัมプาโลกอนาาัตถาโลกจรจัดเรารู้ว่าเป้าหมายในชีวิตเราสูงสุดเราจะไปที่ไหนเรารู้เลยว่าบ้านที่แท้จริงของเราคือพันิชพานที่ผ่านมาเราเหมือนเด็กหลงทางเรากลับบ้านไม่ถูก คิดว่าเราไม่มีพ่อมีแม่หลงไปเร่ตลอนตลอนไปดิ้นรนหายอยู่หากินไวันหนึ่งวันหนึ่งเราภาวนานะใจเราเข้าใจธรรมะขึ้นมาเรารู้เลยว่าชีวิตเรามีเป้าหมายเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตเราคือความพ้นทุกข์สิ้นเชิงคือนิพพานนั่นเองความพ้นทุกข์สิ้นเชิงพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่พระธรรมก็ยังอยู่พระสงฆ์ก็ยังอยู่มีจริงๆ พระพุทธเจ้าที่สูญสลายไปนั้น mm. เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุที่มารวมกันเป็นตัวพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าโดยธรรมะโดยคุณธรรมนัรรม้นไม่เคยหายไปไหนเลยถ้าเราภาวนาใจเรามีธรรมะใจเรามีคุณธรรมนะ เ, เหมือนเราสัมผัสพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเลยเวลาเราจะทำอะไรที่ไม่ดีนะมันจะเกิดความละอายใจ เกิดความเกรงกลัวผลของบาปกรรมนะล ะ, ละอายใจที่จะทําความผิดศีลของเราก็บริบูรณ์ขึ้นมากใจมันฟุง้งซานไปนะเราคอยรู้สึกอยู่เรืนะ่อยสมาธิก็ เ, เกิดขึ้นมาเราเห็นโลกตามความเป็นจริงมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเข้าใกล้ธรรมะ ม, มากขึ้นเท่านั้นเห็นโลกเป็นทุกข์มากเท่าไหร่นะยิ่งเข้าถึงสันติสุขคือสุขในธรรมะ ม, มากขึ้นเท่านั้น แต่ถ้าเราเที่ยวสแสวงหาความสุขในโลกเราได้ความสุขแบบสุข ส, ขสขดิบดิเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้วแต่ความสุขในทางธรร ม, มานั้นมันถาวร น, นะเป็นความสุขที่อมตะจริงๆริงเยตราบเท่าที่ยังมีขันอยู่เพราะงั้นการที่เราถูกเกณฑ์มาเรียนนะอย่านึกว่าเป็นความคลอรายของเราหนีไม่ทันนายสั่งให้มา <c oughs> <c oughs> คราวนี้ไม่เหมือนสัมมาาอื่นๆหรอก มาเรียนนะ4ี่วันเอาซีดีไปฟังบ่อยๆเราสังเกตใจตัวเองบ่อยๆเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเราจะเข้าถึงความสุขที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่องอะไรชีวิตของคนเราสั้นนิดเดียวเราต้องจมอยู่กับความทุกข์ตลอดไปเหรอคนซึ่งไม่รู้ทางที่จะพ้นทุกข์เขาก็จำเป็นที่จะจมอยู่กับความทุกข์พวกเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า เรารู้วิธีที่จะพ้นจากความทุกข์ได้นะเราอย่าละเลยไม่ใช่ว่าธรรมะที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยจะยั่งยืนถาวร อ, อะไรนักหนาอยู่ได้จริงๆไม่นานหรอกอยู่ได้สั้นๆหรอกธรรมะที่แปรปลวนที่ปลอมปนมันเยอะแยะไปหมดเลยธรรมะที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เยอะแยะไปหมดเลย ธรรมะที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อพ้นจากภพจากชาติเนะยอะแยะไปหมดเลยมีแต่สร้างภพสร้างชาติเช่นภาวนาแล้วก็เครียดเคลียดภาวนาแล้วก็ไปติดอยู่ในภพอันใดอันหนึ่งเพรานั้นธรรมะของจริงของแท้นะธรรมะที่จะทําให้เราปล่อยวางจางใครความยึดถือในกายในใจนะมีไม่มากหรอกโอกาสที่จะได้ฟังมีน้อยเต็มบระดานะเฉนั้นเมื่อได้ฟังแล้วอย่าละเลยนะอย่าทิ้งหลวงพ่อได้แต่บอกได้แค่นี้แหละ จะเชื่อหรือไม่เชื่อจะทําหรือไม่ทําอยู่ที่พวกเราเองนะหลวงพ่อไม่ได้ชวนให้เชื่อด้วยตัวหลวงพ่อเองก็ไม่เชื่อง่ายไปหาหลวงปู่ดูลย์ใครแรกนะเพราะรู้สึกว่าน่าสนใจมาหัดดูจิตดูใจนะเพราะรู้สึกว่าการดูจิตดูใจมันน่าสนใจมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยรู้เรื่องของตัวเราเองแท้ๆเราไม่เคยรู้ก็เลยสนใจภาว น, ะนาไปจนเราเข้าถึงความสงบความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะ เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเนี่ยศรัทธาที่แน่นแฟ้นถึงได้เกิดขึ้นแลงนั้นศรัทธาที่แน่นแฟ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเห็นผลแล้วนะถ้าเรายังไม่เห็นผลนะศรัทธาของเรายังกลับกรอกแหว่งขึ้นแหวงลงวันนี้ศรัทธาอีกวันหนึ่งลังเลเนี่ยหลวงพ่อไม่ชวนให้เชื่อว่าสิ่งที่หลวงพ่อบอกนี่ถูกทําไปแล้วจะต้องดีไม่ได้บอกอย่างนั้นนะ สิ่งที่เรางพ่อทําก็คือชวนให้ลองทําดูเอหิปัสสิโกนะธรรมะเนี่ยสำหรับเอหิปัสสิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดไม่ใช่ว่าพึงกล่าวกับผู้อื่นว่าจงเชื่อเถิดศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้งโง่ขณะที่บอกว่าจงเชื่อเถิดนะท่านบอกให้มาลองดูเถิดมาลองรู้กายมาลองรู้ใจตัวเองนะมาลองรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดในใจบ่อยๆ มาลองรู้ด้วยความเป็นกลางลองรู้บ่อยๆดูสิชีวิต จ, จิตใจนี้จะเปลี่ยนได้จริงไหมถ้ายังเลวเหมือนเดิมยังทุกข์เหมือนเดิมยังแย่เหมือนเดิมทำมาหลายเดือนนะสองสามเดือนนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงให้เห็นได้ชื่นอกชื่นใจเลยก็เลิกไปซะนะสนใจไปเรียนที่อื่นก็ชนเลยนะจะไปเรียนที่ไหนชินไปเลยนะแต่หลงพ่อกล้าทานะ อยู่ที่พวกเรากล้ารับคำท้าหรือเปล่าถ้ากล้ารับคำท่านะมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปเรื่อยๆดูกายอย่างที่เขาเป็นดูใจอย่างที่เขาเป็นดูไปสิมันจะมีความเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ไหมไม่ได้บอกนะว่าให้นั่งสมาธิโต้รุ่งให้เดินจงกรมโต้รุ่งไม่ได้บอกทําอย่างนั้นขี้เกียจเกินไปเดินโต้รุ่งใช่ไมเวลาที่เหลือขาดสติเหรอ นะกรรมฐานหลวงพ่อนะมีสติต่างหากนะักแลมีสติตั้งแต่ตื่นจนหลับเนะเพราะฉะนั้นทุกก้าวที่เดินนะั่นคือการทำกรรมฐานการเดินจงกรมทั้งหมดเลยตลอดเวลาที่นั่งอยู่ด้วยความรู้สึกตัวนี่แหละนั่งสมาธิอยู่ตลอดเลยเรานั่งทั้งวันล้วก็คือรู้ตัวอยู่ทั้งวันวก็คือปฏิบัติทั้งวันเดินทั้งคืนรู้ตัวอยู่ทั้งคืนก็คือปฏิบัติทั้งคืน เมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีการปฏิบัติเนะมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดการปฏิบัตินะนั้นหลงพ่อไม่มาบอกเราหรอกว่าให้ไปเดินจงกรมมาละกี่ชั่วโมงหลวงพ่อบอกว่าทุกก้าวที่เดินนะพยายามรู้สึกตัวไว้ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไม่ว่าจะเดินอะไรนะจะเดินไปกินข้าวจะเดินไปห้องโน้นจะเดินไปห้องน้นํานะจะเดินไปคุยกับคนนี้คนนั้นรู้สึกตัวได้่อยๆลองดู หลวงพ่อภาวนามาด้วยความรู้สึกตัวนี้หละนยเล่าให้พวกเราฟังเลยมั้ตั้งแต่แรกไปเรียนจากหลวงปู่ดูลมานะก็กลับมาดูใจตัวเองเลยดูตั้งแต่ตื่นนอนเลยตื่นนอนขึ้นมานึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์นะใจแห้งแลง้งรู้ว่าใจแห้งแรงตื่นนอนมานึกได้วันนี้วันอังคาร น, นะเบือ่อเบื่อมากๆเลยนะรู้ว่าใจมันเบือ่อพอถึงวันพุธนี้สุดเซ็งเลยรู้ว่าเซ็เงเซ็งเฉยเฉย วันพืาหารสดชื่นรู้ว่าสดชื่นวันศุกร์ตื่นขึ้นมานึกได้ว่าวันศุกร์กรดีกระดาแรู้ว่ากรดีกระดาะนี่ตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะเราก็ดูของเราทั้งวันนะจะกินข้าวนะอาหารนี้ถูกใจรู้ว่าพอใจอันนี้ไม่ถูกใจรู้ว่าไม่ถูกใจไม่พอใจจะอาบน้ำนะอากาศร้อนๆไปอาบน้ำเย็นๆมีความสุขมีความพอใจรู้ว่ามีความสุขรู้ว่ามีความพอใจ อากาศหนาวๆไม่อามน้ําเย็นนะสยดสยองหรือว่าสยองนะคุยกับคนนี้มีความสุขก็รู้ทันคุยกับคนนี้ทีแรกก็มีความสุขดีนะคุยไปคุยมามันขัดคอชักโมโหนะรู้ทันว่าโมโหนะเรียนรู้ตัวเองอย่างนี้ฝนะึกอยู่อย่างนี้หลวงพ่อฝึกอยู่อย่างนี้ใช้เวลาไม่ น, นั้นเข้าไปหาครูบาอาจารย์องค์ไหนท่านก็ว่าใช้ได้ทั้งนั้นเลยไม่เห็นมีองค์ไหนว่าผิดสักองเลยนะว่าดูจิตมาไม่เห็นมีใครบอกผิดสักอง พวกว่าผิดผีนพวกภาวนามไม่เป็นภาวนามไม่เป็นไม่เข้าใจการเจริญสติเจริญสตินะจะรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมนี่มันลงอันเดียวกันหมดเลยคือนะรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางไม่ใช่รู้แล้วยึดไว้นะวางได้ก็มีความสุขค่อยฝึกเอานะเจริญสติไปเรื่อยๆแล้ววันใดเรา มีศรัทธาแก่กล้าขึ้นมาเราอยากพัฒนามากกว่านี้เราก็หัดทาในรูปแบบบางแบ่งเวลาในชีวิตของเรามาปฏิบัติในรูปแบบบางไหวพระสวดมนต์ทําสมาธิเดินจงกรมนะทำสมาธิเดินจงกร ม, นะ ม, มไปมีสติรู้กายที่มันนั่งมีสติรู้กายที่มันหายใจมีสติรู้ใจที่แอบไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งมีสติรู้ทันใจที่ไปหลงในความนิ่งความว่าง มีสติรู้กายมีสติรู้ใจได้่อยๆนะถึงคราวที่มันฟุ้งซ่านไปรู้ๆนะใจมันจะพลิกเข้าหาความสงบเองนะมันพลิกไปหาความสงบแต่ถ้ามันฟุ้งซ่านมากมันไม่ยอมพลิกเข้าหาความสงบก็น้อมเข้าหาความสงบไดนะ้น้อมเข้ามาเป็นครั้งคราวไม่ใช่น้อมตลอดเวลาน้อมทุกวันเนะช่นใจมันฟุ้งซ่านมากนะอยู่ๆจะไปหายใจแล้วให้สงบมันไม่สงบ เราก็ต้องรู้จักชั้นเชิงหน่อยมีชั้นเชิงใจมันฟุ้งมากคือมันชอบคิดนี่ไหมแทนที่จะคิดเรื่อยเปื่อยเราให้ฟุ้งซ่านเรามาคิดถึงพระพุทธเจ้ามาคิดถึงพระธรรมมาคิดถึงครูบาอาจารย์มาคิดถึงคนดีๆนะอย่างคิดถึงในหลวงคิดถึงพระเทพคิดถึงอะไรที่ท่านดีๆคิดถึงแล้วเรามีความสุขคิดใจก็จะสงบขึ้นมา คนไหนไปทําบุญทําทานมาเราก็คิดถึงบุญถึงทานของเราเรียกว่าจาคานุสตนะิคนไหนไปถือศีลรักษาศีลมาได้ดีเราเจ้าคิดถึงศีลที่เรารักษาแล้วเรียกว่าศีลานุสตนะิหรือเราก็คิดถึงธรรมะนะคิดถึงโอ้ถ้าเราพ้นจากทุกข์ได้ก็จะดีนะพระนิพพานา น, นี่พ้นจากความทุกข์อะไรนี่คิดถึงพระนิพพาน แต่ความจริงคิดถึงนิพพานนะลจะได้ผลดีสงบสุขเร็วเนี่ยต้องเป็นพระอริยะพะอริยะคิดถึงนิพพานนะจิตใจจะสงบสันติทันทีเลยถ้าเรายังไม่ถึงเป็นพระอริยะเราคิดถึงนิพพานไม่ค่อยรู้เรื่องจะฟุ้งซ่านสมักกว่างั้นเราก็เว้นไปนะไม่ต้องคิดถึงพระนิพพานคิดถึงร่างกายก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะเวลาเราใจฟุ้งซ่านมากนะดูไป สัมผัสเราเลยก็ได้นะเส้นผมหนูใครรู้สึกนะใจเราจดจ่ออยู่ในผมดูผมมันเป็นยังไงรูปร่างมันเป็นยังไงสีสันมันเป็นยังไงกลิ่นมันเป็นยังไงไม่ต้องดูถึงขนาดว่ารสเป็นยังไงหรอกนะไม่ต้องชิมนะดูไปเลยนะเป็นของไม่สวยมาของไม่งามเลยนยะดูไป ดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็กระดูกไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในร่างกายเนี่ยจิตใจก็สงบขึ้นมาเป็นสมถะนะไม่ใช่วิปัสนาหรือคิดถึงความตายก็ได้นะใจเราฟุ้งซ่านมากเราคิดถึงความตายคิดถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารคอนะคิดถึงชีวิตเราไม่แน่นอนนะอย่างเราโกรธใครมากๆสักคนเราก็คิด ไม่นานเราก็ตายนะอย่าไปคิดนะว่าไม่นานมันก็ตาย <c oughs> ไม่นานมันก็ตายนะแต่ขอให้ตายเร็วหน่อยอย่างนี้ไม่สงบะนะะคิดถึงเวลาใจเราอยากได้สมมติเราอยากเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสมมติเราอยากเป็นมากเลยนะเราก็คิดไม่นานก็ตายนะผู้ว่าเก่าๆก็ตายไปหลายคนแล้วนะนะคิดถึงความตายใจก็จะค่อยสงบลงมานะเป็นสมถะนะ คิดถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะร่างกายนี้ก็มีชีวิตอยู่ชั่วลมหายใจเท่านั้นแหละหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายนะหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายมีชีวิตอยู่ชั่วลมหายใจเท่านั้นรู้ลมหายใจไปเรื่อยใจก็สงบขึ้นมาเนี่วิธีทำใจให้สงบนะทำได้เยอะแยะพอจิตใจเราสงบแล้วมีความสุขแล้วอย่าไปเพลิเพลินแค่นั้นไม่พอ พวกเราลูกพระพุทธเจ้าเอาแต่ความสงบมันเป็นลูกฤาษีลูกพระพุทธเจ้าต้องเจริญปัญญานะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจต่อไปเช่นพอใจเราสงบแล้วใจเรามีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขพอมีความสุขแล้ว เ, เกิดความพอใจแทรกขึ้นมารู้ว่าพอใจนะคอยรู้ทันใจของเราไปรู้ทันใจได้ก็รู้ใจไปนะถ้ารู้ใจไม่ได้ดูใจไม่ออกก็มาดูกาย ดูใจก็ไม่ออกดูกายก็ไม่ออกก็มาทำความสงบใหม่หมุนเวียนอยู่อย่างนี้บ่อยๆนี่สำหรับคนที่อยากจะไปนิพพานคนที่ไม่ได้คิดจะไปนิพพานจะอยู่กับโลกนะก็แค่คอยมีสติในชีวิตประจาวันไปตกคํำไหวพาส่วนมนต์สหน่อยแล้วกันอย่าน้าเกลียดนะคนศาสนาอื่นเขายังคิดถึงพระเจ้าของเขาได้เราไม่คิดถึงพระพุทธเจ้าเลยนั้นก็น่าเกลียดไปหน่อย ลองดูนะลองดูทำอย่างที่หลวงพ่อบอกแล้วพยายามรักษาศีลบ่อยๆนะศีลถ้ามันขาดแล้วก็วแล้วไปนะเวลาที่ศีลไม่ขาดมันก็มีอย่างบางคนบอกผมติดเหล้าผมต้องกินเหล้าทุกวันถามว่ากินเหล้าทั้งวันหรือเปล่าก็ไม่ใช่กินทั้งวันใช่ไม้มเวลาที่ไม่ได้กินเหล้าก็ตั้งใจงดเป็นกินเหล้าไว้ยังไม่ถึงเวลางดไว้ก่อนนะ ต่อไปนะั้นพอสติสมาธิปัญญาเป็นแก่รอบก็เป็นขี้เกียจจินต์เองอะ่นะอย่าดูถูกขี้เมานะสมัยพุทธกาลนัมีอมตะอง์หนึ่งคนหนึ่งชื่อสีหามะาัศน์บางทีก็เรียกสันติติอมตะมรุตในตำรามีสองคนไม่รู้สองคนหรือว่าสองชื่อหรือเรียกมั่วกันไปก็ไม่รู้นะในอัทธกถาธรรมบทนะพูดถึงอมาตะคนหนึ่งเรียกว่ามิสเตอร์เอ ก, ก็แล้วกันไม่รู้ว่าชื่ออะไรแน่นะ มิสเตอร์เอกเนี่ยเป็นอำมหัน์ใหญ่ไปทำสงครามชนะค่าศึกมาพระเจ้าแผ่นดินคือพระเจ้าประสิที่โกศลก็เลยบอกให้ครองราชสมบัติสเสวยความสุขแบบพระราชาได้เจ็ดวันคนทั่วๆไปจะไปสเสวยสุขอย่างพระราชาไม่ได้นะโดนข้อหากบฏเหมือนอย่างคนไทยสมัยโบราณเนี่ยถ้าเราตั้งโรงละครแล้วมีโรงละครผู้หญิงเอาตัวแสดงเป็นผู้หญิงเนี่ย ข้อหาร้ายแรงนะพระละครผู้หญิงสําหรับพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นนะพวกเจ้ายัางต้องละครผู้ชายเอาผู้ชายเล่นเป็นผู้หญิงเนะนี่ยเลือกทำตัวเทียมเจ้าไม่ได้นี่อมานี้มีความดีความชอบมากพระเจ้าแผ่นดินให้ทําตัวเทียมเจ้าได้นะสเสวยความสุข ค, คงไม่ได้ให้ตัดสินราชการแทนหรอกนะเดี๋ยวแกยึดอำนาจไปเลยแกก็กินเหล้าเจ็ดวันนะ หาอีหนูมาเต้นระบำให้ดูถ้าโบราณไหนเรียกเต้นจำบะนะเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะอะไรอะไรตีตีตนะอะไรนะเอออะไรโยตี้อะไรก็ไม่รู้นะเอามาเต้นให้ดูนะก็มีความสุขมากเลยแนละ้วก็เมาแอะแอะอะอีหนูสุดที่รักเนี่ยเต้นมากไปนะเต้นมากไปเป็นลมตายไปหนึ่งคนอามานี้เสียใจมากเลยนะ แกก็คิดเลยว่าที่ชีวิตแกนึกว่ามีความสุขสุดๆแล้วนะมีความสุขพอมาถึงวันที่เจ็ดนี่อหนูสุดรักตายไปทํายังไงดีจะหายจากความเศร้าก็คิดถึงพระพุทธเจ้าได้ว่า อ, อคนที่มีความทุกข์นี่เขาไปหาพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็หายกันนะเราไปหาบ้างดีกว่าแกก็ขึ้นช้างมาเลยนะมาหาพระพุทธเจ้าพอมาเจอพระเจ้าแนละ้วได้ฟังธรรมนิดหน่อยแนละ้วมันรู้พระอรหรันต์ บรรลุพระอาหานทํถ้าไม่รู้ได้ว่ะเมาเหล้ามาพก็ขณะที่ฟังธรรมไม่ได้กินเหล้าขนาดฟังธรรมนั้นเกิดมีสติขึ้นมานะกินเหล้าไม่ดีตรงทําลายสตินั่นแหละนะเพราะนพวกเราคนไหนยังอดเหล้าไม่ได้อยากรุ่มใจนะนะกินให้เป็นเวลาสุลาเ ม, เมระยะมัชฌะประมานะใช่ไหม <c oughs> บอกให้กินเป็นเวลาเวลาหลวง เราไปนะเาละเจริญสติมากๆ ม, มันอยากเลิกไปเองเมื่อไม่นานนี้ก็มีคนหนึ่งมานะมาประกาศกลางศาลาเลยบอกผมขอถวายเหล้ากับหลวงพ่อผมเฮ้ยมาถวายทําไมหลวงพ่อไม่ได้กินเหล้านะเป็นฆราวาสจะไม่กินเลยเคยลองกินดูทีหนึ่งสองทีเท่านั้นก็ไม่สนใจไม่เห็นน่าสนใจเลยบอกผมมาถวายเหล้ากับหลวงพ่อว่าจเจริญสติมันไม่อยากกินแล้วนะประกาศ บอกพอเลิกกินเหล้าได้รวยกว่าเก่าคนนับหน้าถือตามากกว่าเก่านะคนเชื่อถือแต่ก่อนคนได้ขี้เมาเชื่อไม่ได้คนนี้รู้สึกคนยกย่องเลยเออดเหล้าได้เก่งนะไม่ธรรมดาอะไรเงี้ยเฉะนั้นพวกเรายังอดไม่ได้นะก็กินเป็นเวลานะควบคุมปริมาณไม่กินมากๆสมองเสื่อมนะสุดท้ายจะปัญญาอ่อนเอาจริงๆไม่ได้หลอกหรอกเคยเห็นเยอะแยะเลย แล้วก็จเจริญสติให้มากๆพยายามมีสติมีศีลไปเรื่อยๆนะรักษาศีลไปต่อไปศีลเราจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเองชีวิตเราเปลี่ยนนะเงินทองก็เหลือใช้นะไม่ได้ยากจนเหมือนเดิมหรอกอยู่กับโลกก็มีความสุขต่อไปใจเข้มแข็งขึ้นมาก็พัฒนาตัวเองไปวันหนึ่งก็กลับสู่บ้านที่แท้จริงนะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตัวจริงเราก็จะมีความสุขที่สุดเลย เชิญเชิญไปทานข้าวอยากบอกว่าเชิญกลับบ้านแล้วเนี่ยนี่หมดเลยครับ